คุณรบกูดมีอะไรไหมมันเป็นไงต้องเดินพยายามเดินเวเดินตรงๆอะไรอย่างนะี้แต่ตุ้นคือถ้าวิริยะมเกิดกับขันธ์พักมีขันธะจิตใจเราเข้าเอียยอยู่กับธรรมะเรื่อยๆ เหมืนจะขยนนนันดูบางครั้งโรคมันดึงดูดเราไปหารมันเยอะเดึงดูดเราเราก็ต้องหาอะไรมากระตุ้นคือการเจริญสติปัฏฐานทำให้สติเกิดบ่อยไปท้ากวนมนเดินอย่านั่งเยอะนั่งแล้วยิ่งสึงส่งเส้นไหวถ้าเราเรียนจงกมเรื่อยๆรือก ร, ระดูระดิกนี้รู้สึกัวก็ได้ขวานบ้าง ที่เกียเดินงมกลมนะป่าบ้านหมู่บ้านมันทั้งวันเลยแล้วรู้สึกตัวไปลนะบ้านสะอาดได้กํไรหนาไหน้าต่ออยากรู้่องงาอ๋อทำงานเลยหรือเล่นเน็ตทงานทำงานจำเป็นมันจำเป็นต้องคิดต้องจดจ่องานเวลาทำงานปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าพวกเด็กๆชอบเล่นเหน็ตที่ชายร้อง เล่นเกมทั้งวันวเริ่มอย่างเงี้ย่มรงจักตอนนี้บนะเออบลารนะิ่ม <c oughs> เล่น้ทคนะื <c oughs> ้่นบานนี้อย่างเงี้ยพ <c oughs> ่อมาแนละ้วพ่อก็ฟ้องลูกลูกปฟ้องพ่อ <c oughs> วันนี้พ่อขึ้มาพี่กับ น, น้องก็เตียง <c oughs> เวลาทางานทำเจ้าเพราะเราทางานที่ใช้ความคิด แต่คิดเราต้องจับจอกเรื่องคิดคิดให้รู้เรื่องเสร็จเวลาเราปฏิบัติเราไม่สนใจต้องคิดให้รู้เรื่องคิดเรารู้ว่าคิดหนึ่งมันเลิกคิดไปเลยเหรือความคิดมันไหลแผ่วๆไหลเบาๆบางๆไหลไปเรื่อยๆมันไม่มีความหมายอะไรคือคืความเข้าใจว่ามันไม่ด้มีสายมันมีเสียงที่บอกบอกของความความิดความหมามันเพิ่มขึ้นมากเล อาจารย์สุรวันรก็เคยเขียนสติ๊กเกอร์เล็กๆแปะไว้ที่จอจะรู้รอะไรนะด้วยจิตที่เป็นกลางบางคนติดสติ๊กเกอร์ไว้รอบบ้านเลยต <c oughs> ิดวันแรกเลยนะั้นเบอร์ทางนี้ตื่นมาทางนี้ตื่นปรับทบทักทิตย์ทางนี้หลับถึงนี้ก็หลับม <c oughs> <c oughs> ันชินบางคนมัขอรูปแบบขอถ่ายรูป ผมไม่ได้ผลหรอกไม่ผลเสียงหนีหน้าไม่ได้ผล่นหลังไปแบกรูปมาถวายทีถ่ายรูปไปเลเลยดีนะมีที่ผอบถาถ่งให้คุณสีวุญถ่ายร้หมนเป็นใปไม่ได้นะจิตใจอพอคุ้นเคยกับอะไรเนี่ยเขาจะเริ่มเลือได้เริ่มหลงเริ่มเผลอเนี่ยคือเหตุผลที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนชอบเดินทุดง เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ เ, เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนคนที่รู้จักคุ้นเคยอย่างเราเปลี่ยนมัดภาวนาทีนึงมันมีพันตาใหม่ๆกระตุ้นดีบางแห่งก็กระตุ้นมากไปผู้หญิงเข้าวัดจับทําตัวรูปเดียวปีสามยันสว่างปลายสามปลปีเริ่มกินแล้วเ ร, ริ่มทําเปรมมหานิยมแล้ว แล้วทุกวันเหมือนกันหมดเลยวันอนอีเ้เลยเส็จไปด้วยแม่เกลือหลวงปู่เทศทั้งหมดโอ้ยพวกเจ้างโงนะ่คนอื่นเขามาเป็เดียวเป็นดาวเขามาภาวนาก็ได้บุญเท่านี้พวกเจ้าทําตัวทั้งวันก็คืนเจ้าได้เท่านี้ใช่สิเพราะงั <c oughs> ้น้องเลือกที่ไปนี่หายาก ทำวัดบาปก็ใช้ทํางานเยอะอยู่เขาตัวหลวงอยู่ในกรงให้ลิงดูลําบากหลายอย่างนักสุติเหมือนโรงเลยให้ลิงอยู่ข้างนอกคนอยู่ในโรง <c oughs> โอ้ ย, ล, นะ ย, ยลําบากนะผู้หญิงหาที่ภาว <c oughs> นยายากมีสนยะามนะทําที่บ้านได้ที่ดีที่สุดทําบนถนนมีทําที่บ้านมันจะทํายาก ยิ่งผู้หญิงเนี่ยข้าบ้านแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มหางานทํบางทีหาทํำคนเดียวไม่พอ่ะต้องลากสามีมาช่วยทํำด้วยริเริ่มย้ายข้าวของมีสามีมาบ่นหลายบ้านนะ <c oughs> อ่ะน่ารู้สึกสบายใจแล้วนะหายเคร่งเครียดนี่การปฏิบัติไม่มีอะไรมากการปฏิบัติเราจะเรียนเรื่องตัวเราเองจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติก็คือทํายังไงจะไม่ทุกข์ เอาเรื่องเดียวทำไงไม่ทุกความทุกขอยู่ที่ไหนมีหน้าที่เรียนเข้าไปตรงนั้นเลยใครเศร้าสังเกตลงกันความทุกข์มีสองนั้นเท่านั้นคือความทุกข์กายกับความทุกข์ใจให้เราไปตามรู้กายการรู้ใจไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากอย่าใจลอยก็แล้วกันถ้าใจลอยก็คือรู้ไม่ได้แล้วก็อย่าไปนั่งจ้องนั่งเก้งเอาไว้นั่งจ้องนั่งเก้งแล้วมันนิ่งหมดทุกอย่าง ให้รู้ไป น, นี่ ว, นน ว, วัดนอกไวเนี่ยคือวัดธรรมดาเราไปนั่งไกลๆนั่งหน้าเพื่อนเหรรู้สึกไหมใจเราเมื่อกี้นิ่งตอนนี้คึคคคลื้นนะรู้สึกไหมให้คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความรู้สึกของเราเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งเราภายนอกเราได้เห็นอย่างนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้ ได้ยินเรื่องนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้หลวงพ่อพูดธรรมะพวกเราก็ทําซึมเนี่ยเห็นไหมเริ่มทำซึมซึมซึมเราคุยเล่นอ๊ยคึกคืนอยู่ได้ทั้งคืนนั่งทั้งคืนไม่หลับฉันนั่งเองเดี๋ยวเดียวหลับเลยหลวงนาก็าพยายามจะหลับนะนี่ให้เราคอยดูแป๊กนะใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูไปอย่างนี้เลย มันเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อใจมันคิดนึกมันเปลี่ยนเรื่อยๆพราะฉะนั้นอย่าไปปิดตาปิดหูนะซ่าปิดตาไม่เอาต้เป็นซ่าเปิดตาซ่าปิดขวางปิดตาไม่พอแล้วยปิดหูปิดตาปิดหมดเลยปิดจมูกเคยเห็นไหมต้องทำป้วนๆด้วยนะปิดแล้ววุ่นเลยงั้นเปิดขึ้นมานะเปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดลิ้นเปิดายเปิดใจขึ้นมา ให้กระทบอารมณ์ไปเรกระทบอารมณ์แล้วจิตใจเราเปลี่ยนแปลงยังไงคอรู้ทางไปเรื่อยๆมีแค่นี้เองปฏิบัติเดี๋ยวก็เข้าใจจะมานั่งนึกเอาว่าการปฏิบัติจะเป็นยังไงนะจะทํำยังไงนะโอ้ยุ่งยากยุ่งยากมากเกิดความจําเป็นไปถ้าใจถึงนะอย่คาคิดมากไปอ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆ พวกมาสายๆอ ย, ย่างนี้ฟังเช้าเล่าให้ตกขึ้นมาเช้าๆฟังส mm hmm. องอาทิตย์แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งมาเรียนอย่างพวกเราเนี้ยมาเรียนฟังแล้วฟังไปจนจะจบสิบโมงแนละ้วอยู่ข้อถามเข้าใจไหมเข้าใจคนระับเข้าใจข้าวเ ข, ข้าใจกันหมดเลยเราก็ปลืม้มเลยรู้สึกเข้าใจทั้งชั้นเลย <c oughs> อ่าพอบอกให้เลิกก็จมีพวกไม่เลิกฟังซุบๆเขาหมือพวกไม่รู้จักในเร่องเวลา ฉันผมเข้าใจแล้วการปฏิบัติเนี่ทํำยังไงไม่ยากเลยถ้าผมออกจากสารานี้ไปได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมอแบบคุณจะไม่ได้เรื่องเลยฟังตั้งนานไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่ไปดูดอกไม้หอมไม่คิดว่าดอกไม้หอมให้รู้กายรู้ใจของตัวเองดอกไม้ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจของเราไปรู้ยู่มันทาไมเพราะฉะนั้นพอได้กลิ่นดอกไม้หอมเนี่ยใจมันมีความสุขรู้ว่ามีความสุข ใจมันชอบคันมีราคะรู้ว่ามันชอบมันอยากจะเด็ดรู้ว่าอยากเด็ดอยากจะเดินไปดูว่ามันดอกอะไรรู้ว่าอยากเดินไปดูนี่ให้คอยรู้ใจของเราเองนะเอื้อมมือจะไปเด็ดเนี่ยดูใจไม่ทันแล้วมือมันเรื้อมไปแล้วรู้ว่ามือมัอเนเคลื่อนแตนะ่แต่อย่าเด็ดนะเอาไว้คนอื่นก็ดูว่าไม่จารปีิบัติไม่ยากแค่เราคอยรู้กายรู้ใจของเรา ไม่ใช่ไปดูว่าดอกไม้หอมอย่างนี้ไม่ใช่การปฏิบัติแค่รั่วข้างนอกแต่การที่เราเห็นดอกไม้หอมเนี่ยทำให้จิตใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นรู้สึกสบายใจพอสบายใจรู้ว่าสบายใจเพราะันการปฏิบัติมันง่ายง่ายเห็นมีอะไรเลยอ่ะหนูนานีี่เที่ยวไหนเก็ <c oughs> <c oughs> มาแย่งที่นั่งกันหนึ่งี่ตรงนี้ ถ้านั่งหลังๆไม่แน่นนม่หนักเขาเคลิ้มรวมนั่งบิดดีเคยนั่งบิดดีไหมนี้มาเผชิญหน้าก็แน่นเป็นธรรมดาน่ก้าตอะไรรู้อะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คือไม่มีคนไหนรู้อย่างเดียวนี่นะ สังเกตไหมเดี๋ยวเราก็รู้ายเดี๋ยวเราก็รู้ ใ, ใจไม่มีหลักล้วนเดียวแต่เวลาซ้อมเวลาซ้อมมาหัดล้วนเดียวก่อนเเช่นจะเอากายานุปัสสนาก็มาหัดรู้กายแต่ต้องรู้หลักซะก่อนนะเรารู้ายเพื่ออะไรรู้ายเพื่อให้รู้สึกตัวเรารู้จิตรู้ใจในตัเองเพื่อให้รู้สึกตัวไม่ให้หลงไม่ให้เกลือ น, นี่ให้คอยรู้สึกตัวบ่อยๆฉะนั้นเราจะหัดรู้กายก็ได้หัดรู้ใจก็ได้ ยกเป็อย่างสมมุติว่าเราเดินจงกลมเดินเดินเนี่ยเราคอรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจิตของเราหนีไปเที่ยวที่อื่นรู้ว่าจิตหนีไปเที่ยวนะมารู้ทันก็จะกลับมารู้สึกตัวจะเห็นร่างกายมันเดินไปเรื่อยๆดูไปดูมาจิตถลำลงไปเก้งตายใจไหลลงไปแช่อยู่กับตายรู้อีกเมื่อจิตลงไปแช่กับกายเก้งตาย <C oughs> ใช้ไม่ได้อีกแล้วแค่รู้ทันจิตที่ถอยออกมาจะเห็นร่างกายมันเดินเหมือนเห็นคนอื่นเดิน จะเดินเลยไม่ใช่ตัวเราเดินหรอกเหมือนขุ่นยนต์เดินเหมือนคนอื่นเดินไม่ใช่ตัวเราเดิน เ, น, เ, น, น, เนี่นนนนนยถ้าดูเป็นนะแต่ถ้าเราขาดสติใจเราถลำลงไปมันจะกลายเป็นเราเดินขึ้นมาทันทีเดินทั้งคืนก็ถลำลงไปทั้งคืนอย่นี้ใช้ไม่ได้หัดร่วนเดียวก่อนก็ได้เนีย่ยสมยัยนี้มาปฏิบัติใหม่ๆก็หลวงปู่ดูท่านสอนให้ดูจิตเพราะว่ากายเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใจมันไม่เอารู้สึกน้อยแบบ ง่ายเกินไปหลวงปู่ตูนบอกให้ดูจิตตัวเองบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตัวเองตั้งแต่นั้นมาก็ห่านจิตตัวเองเรื่อยๆไม่คิดว่าปฏิบัตินะคิดแต่แค่ตามรู้ความ ร, รู้สึกเท่านั้นตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์จิตใจแ e งแร้งเลยขี้เกียจไปทํางานรู้ว่าขี้เกียจตื่นมาวันสุกแหมตดเชื่องจัง การ ท, ที่ต้องไปทํางานก็สดชื่นก็เป็นวันสุกพรุ่งนี้อยู่แล้วเนี่ยรู้ว่าสดชื่นให้ได้ปฏิบัตินหัดดูอยู่ที่ใจเราเรื่อยๆเลยได้ข่าวว่าวันนี้ผู้อำนวยการไม่มาทํางานสดชื่นแกเป็นสมณาใุยนี่ไม่อยู่เราทํางานสะดวกเพราะฉะนั้นสดชื่นอยู่มนเรียกเครงวัน เปิดประตูห้องทํางานจ้าเอ๋อุย้ยมาเว้ยนะมีโอ้ยด้วยนะ <c oughs> ตกใจนะตกกรนะจโอ้โหสวรรค์ของเราล่มสลายตอหน้าตามันเห็นด้วยใจนี้หล่นรูกเลยโอยูอย่ายุ่งมีมาเนี่ยปฏิบัติเห็นไหมง่ายจะตายไปอย่างเวลาฟ้าผ่าเปรี้ยงใจวูบใช่ไหมเนี่ยใจมันรูบแล้วก็รูบนี่เราจะรอฟ้าผ่าแล้วรูบมันไม่พอ นา น, นานมนผ่าทีหนึง่งเราก็เดินไปเนี่ยเจออะไรความรู้สึกมันเป็นยังไงคอยรู้ไปเดินบางคนชอบนกโอ้นกสวยนกน่ารักมาวัดนี่ชมนกนะคนไม่มาฟังธรรมะอยากมาดูนกมีนกหลายสิบชนิดเป็นสิบเลยนกนานาชนิดมาถึงวันนี้นกมันอยู่ที่ไหนกลัวเหมือนกะัความรู้สึกไม่เหมือนกันที่นกก็ตัวเดิม งั้นเรารู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยเยเห็นสาวสวยใจมันมีฝากคักรู้เห็นศัตรูใจเกลียดรู้ยกตัวอย่างบ่อยๆเห็นเด็กเดินมาสองคนพวกที่มีลูกเนี่ยจะรู้จักเี็คนหนึ่งเป็นลูกเราเนี่ยเรารู้สึกอย่างหนึ่งคนหนึงเป็นลูกคนอื่นเรารู้สึกอีกอย่างไม่เหมือนกันนเนี่ยให้เราคอยรู้ที่ใจเราความรู้สึกในใจเปลี่ยนใจทั้งวันถ้าเราตามรู้อยู่ที่ใจเราเรื่อยเรืยต่อไปมันจะเกิด พัฒนาการขึ้มนมาคือเราจะรู้ความจริงว่าจิตใจเราเนี้ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดียเด๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายพอใจเรารู้ความจริงอย่างนี้ต่อมาพอความสุขมาเราไม่หลงดาเริงนะเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ไปพอความทุกข์มานะเราไม่คลั่งกลัวเดี๋ยวก็ไปใจก็ค่อยเป็นกลางไม่ค่อยจะดิน้นรนใจมันไม่ดิน้นรนเป็นกลางแล่วมันได้ใจก็เริ่มสบาย ใจท well. ี่มันไม่สบายเพราะมันดิ้นโครงซามโกลงซามอย่างคุณสมบูรณ์เมื่อเช้าใจมันติ้นอยากปฏิบัตินะฮะคุณก็ทําก็ขรึมๆเลยนะฮื้อขึ้นไปเลยนะใจก็เป็นปุ๊บแล้วมันดิ้นรนนะคุณแทนเตือนห้ามฝันอ้าวนุไม่ต้อง่วงใหญ่คนอื่น่วงตนเองนะไม่ต้องไปดู ท่านว่าใครดนีด็ดูไหมเมื่อกี้คอยาวขึ้นตั้งสองสานิ้ว<ด>ออเออเหนไหมไร่เกรดแล้วนะเกรดถึงคอยือดอยากดูไหมโลภะทาให้ป็นเกรดคอยืดเลยจิตมีโลภะไหมอยากดูไหแล้วก็เป็นเกรดน้อยเกรดตัวน้อยแล้อ <c oughs> กสาตัว ดับมันทำไมนก็ดูสิว่าเปรตมันเกิดแล้วเปรตมันก็ดับไปเออไม่ต้องไปกลับมันนะเ อ, อตั้มมาหลายคนใี่หรือทีมตั้ายไปไหนหมดน้องคน น, น, นี้ใหม่ครับน้องหนไหนเนไหนนี่หรอใหม่มาที่นี่บ่อยหรอ <c oughs> มาตอนต้มแก่ขี่มอตอไซค์มาแล้วหลังสายไปยไนึกว่ามตรไซค์ล้มที่ไหนนะ ดูไหมใจลอยไปแล้วเนี่ยดูออกไหมเนี่ยใจเราชอบหนีไปเที่ยวใจเราลอยพอใจลอยไปแล้วก็รู้กายรู้ใจไม่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้ก็เรียกว่าทำมิปัตสนาไม่ได้มิปัสนาต้องคอยรู้กายรู้ใจต้องมีอะไรไม่ต้องต้องถามอะไร ฝึกเมื่เปล่ามือนี้แค่ไ้ฝึกร้อนมักใช้ทหลังไม่พอเนะจิตหมดแรงแล้วใชครบน่เมื่อก่อนเมื่างห่วงลูกตอนนี้ห่วงใครห่วงพ่อเลยหือห่วงพ่อตาขอให้พ่อตาเข้ามาห่วงกลัวว่าจะออกจากโรงพยาบาล เนี่ยต้องประจานเนี่ยเราเคยรู้สึกมเนี่ยหัดดูนะความรึอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วเรารู้สึกไหมพอเปลี่ยนเรื่อคุยแม่คุยสวยเสยเฮานะใจมันจะเบาฟูขึ้นมาพอมันฟูขึ้นมาให้เรารู้เนี่ยใจเราพองขึ้นมาถ้าเราไม่รู้คืหลงเลยนี่ เป็นการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกมีเท่านี đi, ้จบแล้วมั้งขออย่างไงทีมเชียงรายเป็นไหนนะเชียงรายพอนอยู่นู่นไงรู้เรื่องยังสังเกตใจตัวเองนะดีขึ้นเีอแล้วมาเริ่มตื่นแล้วเอาคุ้คกู้ ขึ้นมาอย่าลงไปช่องนั้นนี่ไม่หนีเลือกรับใหญ่รู้ว่าใจเลือกรับเลือกรับแล้วไม่ซ่อมไปรู้จักหนึ่งเนี้ยม า, มามมหลับลึกนครับอะไรอบหน้าครับเห็นอยเ่าบาเงไูกหรือไม่แปยั ง, ยงเพราะว่ายังพยายามอยู่หนึ่งสังเกตออกไหมว่า เวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยเรามีการทํางานบางอย่างในใจของเราขึ้นมาเกิดความพยายามทําขึ้นมาเคยสังเกตการนี้ไหมครับแล้วไปดูให้พันนะการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่การดัดแปลงจิตใจส่วนมากเราไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทําใจให้ซึมซึมคือมืดนิ่งนิ่งอย่างนั้นเป็นปฏิบัติสมถะ ถ้าเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยใจของเราขนาดนี้เป็นยังไงรูร้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้เลยไม่ต้องไปคิดมากะเพราะงั้นอย่าไปนั่งเฝ้านั่งเจ้าองยว้ห้ามเจ้าปัญหาของหนึ่งก็คือชอบไปนั่งจ้องไว้<ม>เลิกแคนี้ใส่ไม่ดีอันนี้ต่อไปนี้ไม่เจ้องลืมตาขึ้นมาแทนเอดูสาวโอ้ใจมันรักแล้วรู้ว่ารักแต่ต้องถึงขีนห้าไว้ก่อนนะเด <c oughs> ี๋ยวรักไปทั่วทนะว ไม่มีใครครบไม่รู้นะเนี่ยบ้านเนี้บ้านเนี้มีเจชู้อยู่คนนึ่งเดี๋ยวนี้เลยลงโทษตัวเองหนีไปญี่ปุ่นแอืว พวกผู้ใหญ่ฟังธรรมะก็ทำใจแตนะ่วันนี้เด็กเยอะอาตมาก็เลยต้องเทศเบือนชั้นเด็กเอาใจไหวรุ่นเด็กเดมันไม่ค่อยยอบเข้าวัดคืออนะาตมามาตั้งน้ำโมูมันก็เทศแล้วมันนึกปังหนึ่งใจลอยลหนึ่งทำมันเดียวให้กันบ้านใจลอยแล้วรีบรู้ไวๆไม่ต้องทำอย่างอนะื่นนละ ห้ามเล่นจ <Không. S 1> ้องไว้นะให้มันใจลอยไปแล้วไม่รู้ไหวๆเลินคุณนใจลอยไปแล้วทราบไหมเรื่องแบบคนเลยเหือย่างนั้นรู้จักใจลอยแล้วใช่ไหมคุณนั่นและดีที่สุดเลยนะคือเราจะเดินสติได้มีสติก็คือไม่ใจลอยนะสังเกตไหมพอเราใจลอยเราก็ลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจ เนี่ยไปยแล้วเห็มมันหนีไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่นั่งเฝ้าไม่ให้หนีนะอย่าไปเฝ้าให้มันหนีไปแล้วค่อยรู้ไวๆพอเราหัดตรงนี้ชํานาญเรารู้แล้วว่าอ๋อเผลอเป็นอย่างนี้รู้สึกตัวเป็นอย่างนี้หัด จ, จากนั้นเราก็มาทำํำปฏิปักษ์ฐานจะเดินจงกรมจะอะไรก็ได้ไม่มีเวลาเดินจงกรมกวาด บ, าวบ้านรู้สึกตัวไปฝัดบ้านรู้สึกตัวไปอรดต้นไม้รู้สึกตัวไป บางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะเห็นหมาทาท่าหน้ารักนะใจเรารู้สึกก็นดูรู้ใจของเราในการปฏิบัติเราทําได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นเป็นหลักยกเว้นพวกที่เขาทํางานที่ต้องคิด้็ทําทงานที่ต้องคิดอย่างคุณอนุกูล ใ, ใจก็จะไหลเข้าไปในจอเป็นสิ่งคอมพิวเตอร์ควาจริงไม่ได้ไปอยู่ในจอใจไปอยู่ในความคิดเป็นหลัก เง่นุ้ดเป็นไงได้ได้ถามเลยตอนนี้เป็นเวลาถามไม่ใช่ติดโง่เวลาถามพี่น้องบอกว่าเห็นตัวทุกมากขึ้นแล้วตัวพ่าเป็นดนะคะอืมดีแล้วเรื่องสิ่งของมันเพิ่มริดมันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยนะฮะนั่นแหละธรรมะที่หลวงอาพูดมาตั้งแต่เช้าอย่างนี้บอกว่าจิตมันเปลี่ยนแปลง ไม่เคยบอกว่าทำกิจให้นิ่งหนึ่ง่ก็รู้สึกว่าตัวเองเออเมื่ออทาที่ว่าจะยเข้าบไม่ได้ที่ชนะแต่ว่าหลหลายไปเนยเห็นนคะว่านีคามรู้เร่องลาุบให้รู้สึกเออขึ้นมารู้เฉยๆนะอย่าไปดึงขึ้นมาอย่าไปฝืนถ้าฝืนแล้วมันอึดหัดถ้าไม่ฝืนไม่อึดหั คือมันยังมีสองนั้นนะรู้รู้โดยไม่เจตสนาเนี่ยวิเศษที่สุดกนะับอีการนึงจงใจไปรู้อันนี้ไม่ดีจงใจไปรู้เนี่ยมันจะทำให้ไปดักดูไว้ก่อนแต่อย่างตเราเสือร์ อ, อยู่รู้ว่าเสือจิตในขณะนั้นนะ่ะวิเศษที่สุดนะความรู้ตัวที่เบาโล่งโปงสบายไนะม่มีขยะ แต่ถัดจากนั้นจะเริ่มเข้าไปทํางานครั้งใหม่ทำไมห้ามไม่ได้นะไม่ได้ฝึกห้ามแต่ฝึกให้เห็นว่าถ้าเมื่อไหร่รู้สึกตัวเมื่อนั้นไม่ปุ๊กเมื่อไหร่ไหลเข้าไปข้างในเมื่อนั้นปุ๊กนี่ฝึกให้เห็นตรงนี้ให้รู้ว่าทุ๊กเกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตทายานเข้าไปยึดอารมณ์ต่บางครั้ก็ยังเข้าไปไหลต่อได้ถ้าเรู้ว่าจิตมันยังไม่ตั้งมั่นเราก็ยังจิตไม่ตั้งมั่นรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่น ไม่เป็นรรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นอยากตั้งมั่นรู้ว่าอยากตั้งมั่นถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะรงตามความเป็นจริงตั้งมั่นจับตันคือจิตไหลเข้าไปหายไปเพราะฉะนั้นไม่ตั้งมั่นจิตไหลเข้าไปนะก็ไม่ตั้งมั่นสิถ้ารู้ว่าไหลเข้าไปตรงนั้นตั้งมั่นคือรู้มันไหลเข้าไปรู้ว่ามันลอยแต่ว่ามัไม่ไม่ยืนมันไม่ยืนห้างมัก็รู้ว่าไปแน่รู้ให้ไหๆ พอรู้แล้วมันจะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกไหมมันจะหายหลงหนเปลอเอาตรงนั้นน่ะจิตเดียวเขาเรียกว่าการจับสมาธิตั้งมั่นในชั่วขณะเนี้ยพอแล้วพอมันตั้งมั่นชั่วขณะก็คือมันหลุดออกจากกองทุกข์ชั่วขณะขาดจากนั้นมันไหลเข้าอีกมันจะเห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นมาใช่ไหมแต่เดิมนี่ไหลอยู่บริแช่อยู่เนี้ยดูไม่ออกว่าตัวเองทุกข์อยู่ แตเมื่อไรสามารถรู้สึกตัวได้จิตตั้งมั่นรู้สึกตัวมีจิตติดาขานะเรียนเลยจะทำจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้ถัดจาะนั้นพอจิตไหลเข้าไปอีกรู้ว่าทุกเกิดขึ้นอ๋อทุกเกิดเพราะจิตไหลเข้าไปทุกเกิดเพราะปัญหานี่เองคือความพยานของจิตพยานที่ไปเกาะ อ, อารมณ์ใช่ไหมเกาะเป็นปัจฐานต่อแล้วก็ไปทํางานรู้สึกไหมทํางานนั่นเรียกว่าพบสํามลำพองผ่านเรียกว่าพบมีพบขึ้นมาก็มีทุกขึ้นมาจิตก็เครียด ข, ข, ขึ้นมา เนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติเราเห็นแล้วว่าเออถ้าจิตส่งเข้าไปทํางานแล้วเป็นทุกข์เนี่ยเรื่องมีปัญญามากขึ้นแล้ว <c oughs> ต่อไปจิตมันจะเริ่มฉลาดรู้ว่าถ้าไหลเข้าไปแล้วทุกข์มันจะไม่ไหลเข้าไปคราวนี้ไม่ต้องบังคับแล้วแต่จะไม่เข้าเพราะ <c oughs> มันฉลาดมันรู้ว่าเข้าแล้วมันทุกข์มันเฉลียวใจที่มันหลับเออตรงเฉลียวหน้าดีไอฉลาดไม่งาวแค่เฉลียวพอฉลาดมัคิดมาก เอาตัวที่เฉลียวใจรู้ทันนล้นปัญญามันเกิดสิ่งกิจแค่นั้นเองแวบเดียวคือศาสนาพุทธสอนหี่ยพุทธเจ้าบอกว่าทุกให้รู้ทุกให้รู้นี่คนในโลกเนี้ยรู้จักทุกไม่พั่วที่รู้ทุกบางอย่างเท่านั้นเช่นตกงานเป็นทุกตกหักเป็นทุกไม่ได้สิ่งที่อยากเราเป็นทุกหรือเจอสิ่งที่ไม่อยากเราทุกจะรู้จักทุกชนิดนี้ นีนพวกเราผู้ปฏิบัติเราเห็นพุกอีกอย่างนึงคือการที่จิตเราต้องไหลเข้าไปข้างในไหลเข้าไปทํางานก็้าไปปลูกแต่ก็ทุกข์แล้วยังไม่ทันอกหกกักยุทธก็ทุกข์แล้วใช่ไหมใส่เคลื่อนเข้าไปตรงนี้ก็ทุกข์เห็นไหมว่าปัญญามันแก่กล้าขึ้นแต่เดิมต้องถูกให้อะไรอ่ะเออให้บริษัทจะไล่เราออกเก็ทุ๊บใช่ไหมแต่ตอนนี้แค่จิตเราเคลื่อนเราก็ทุกข์เนี่ยปัญญามันเกิด ต่อไปจิตไม่เคลื่อนเข้าไปข้างในคิตทรงตัวรู้อยู่ข้างนอกเองครูบาจารย์เรียกว่าจิตผู้รู้ถ้าเข้าผู้รู้อยู่โอ้มีทุกเลยเนี่ยมิจฉาที่ผิอีกเลยเรารูาร้ลงไปเรื่อยๆนะถึงจิตหนึ่งจะเห็นเลยตัวผู้รู้ตัวทุกตัวท <Okay. S 1> ุกเปลี่ยนแสนสาลเลยทุกยิ่งกว่าทุกอื่นๆเลยถ้าเมื่อไรเราไม่สามารถเห็นผู้รู้เป็นทุกได้นะเรายังจะไปเกิอดอีก นี่เราเราจะเรียนธรรมะเราจะมักจะเข้าใจผิดคิดว่าถ้าเราฝึกจิตของเราให้ดีแล้วจิตเราจะมีความสุขจิตเราจะพ้นทุกข์ใช่ไหมเราคิดว่าจิตมันจะพ้นทุกข์ได้จิตพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะจิตนั่นแหละตัวทุกข์ขันต่างๆเรคือตัวทุกข์จิตก็คือตัวขันะจิตนั่นคือตัวทุกข์จะทําจิตให้พ้นทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าพ้นจิตจะพ้นทุกข์ เออถ้าเห็นว่าจิตเป็นภูมอมแสนสาหัสนี่นะมันจะปล่อยวางจิตถ้าเห็นคนที่ที่มีปัญหาแล้วมันันรู้ไม่ันี่หไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้ได้แค่ไหนกแค่นั้นแะต่ถ้เข้าใปเด่นสนแล้วจะดูทิศทีใช้ไหมคะทิทิเนี่ยถ้าส่นใจชื่อมันก็ต้องเป็นมิจฉาทิศิแต่ถ้าเรื่องความคิดความเห็นของเราหรอดูตัวนี้ดีกว่าดูที่เราชอบออกความเห็น แล้วเราก็มีมาตรฐานของเราด้วยถ้าใครทำผิดมาตรฐานเราเราไม่ชอบแล้วก็ทะเลาะ ก, กันเพราะความเห็นขัดแย้งกัน ต, ตั้งตื่นบ่อยๆได้เลยเออก็เห็นที่เห็นขึ้นม า, านเขาอาจจเห็ไปแตองคจัดเออนั่นแหละตัวร้ายน่ะไอ้ที่เขาทะเลาะ ก, กันก็สองตัวน่ะชลาวาทั้งหลายหรือพระราชาทั้งหลายผู้จัดจักรพรรชิช ท, ร ท, ราชาทั้งหลายนีวิวาทกัน นี่ยด้วยปัญหาและพิถิถ้าพูดภาษาสมัยใหม่หมก็คือแบบอย่างพวกเราจะ บ, บ้านเนี้ยคารวะาเนี้ยเราทะเลาะ ก, กันเพรผลประโยชน์จากความเห็นผลประโยชน์ขัดแย้งกันก็ต้องทะเลาะ ก, กันความเห็นขัดแย้งกันก็ทะเลาะ ก, กันผลประโยชน์มันก็ช่วยไม่ได้นะทำมาหากินแย่งกันแต่ความเห็นเนี้ยหลอกเราเยอะเลยเช่นลูกดื้อตั้มไม่ชอบเลยไม่อยากให้ลูกดื้อแล้วโทษหี ื่อเขาพ่อตาไม่ดีนะมีความเห็นว่าไม่ชอบพ่อตาป่วยได้ต า, า, าตเุเรื่องของเาไม่ใช่เรื่องของเราเห็นม้มไม่มีใครหวังดีกับใครจริงนะ <c oughs> ไหมแม่จะพ่อพี่นาพูดดีนะเ <c oughs> นี่ยลูตาพามาวัด น, นะนะยังเล่นเราไม่เริกเลยที่ยังคงตาม ือเนี <lightly iser Zum voi> ่ยใจหนีไปแล้วคือเรว่าเน่ยทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์กับความเห็นขัดกันนี่พวกรามเนี่ยไม่ได้ยุ่งแย่งผลประโยชน์แล้วแต่ทะเลาะกันเพราะความเห็นขัดกันะพวกนักบวชกันนะบวชพวกรามกับรามความเห็นขัดกันทะเลาะกันขัดเดระชาเนี่ยทะเลาะกันเรื่องความคิดเห็นนะทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์ แต่ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่นะจิตเราตรงธรรมอยู่นะไม่ทะเลาะกันใส่สบายาใครก็าชวนไปชุมนุมไม่ไปไปก็ <c oughs> อยู่ตรงเนี้ยสบายสิถ้เราไม่ทําสิ่งที่เราควรทำํำสิ่งอะไรที่ควรทําที่สุดนะตอนนี้หน้าที่ของเราคืออะไรอหน้นนาที่อันแรกเลยนะสําหรับพวกเราชาวพุทธ ฝ, ฝ่ายเสียงรำว่าต้องดับพุทธของตัวเองไม่ได้กัน อืทำไงจะทุกข์มีหลายตัวนะ่ทุกข์เพราผิดหวังไอ้เนี้ยทุกข์อย่างนี้ใครใครก็รู้จักไม่ต้องมีสปอนาใครใครก็รู้จักทุกข์เพราะจิตเข้าไปยึดอารมณ์ทุกข์เพราะจิตเข้าไปยึดอารมณ์ทุกข์เพราะสมุทัยใช่ตัวอริยสติใชรยสติสุดขีดเลยตัวทุกข์นั่คือเปล่าขันห้าแลี่ทุกข์เพทุกข์นั่แหละทุกข์เพามีขัน รู้ว่ามีขันดูยากแต่ดูรูปขันง่ายนะมีร่างกายก็ทุกใช่ไหมมีส ต, ติอยู่เนี้ยเราต้องปลิมีบาร่างกายมนาะถ้าต่ตื่นนอนรู้สึกไหมเดี๋ยวจะนอนหลับไปแล้วเดี๋ยวก็นอนพลิกไปพนละิกนนมาเพราะว่าความทุกข์มันบีบคั้นหรือความทุกข์มันบีบคั้นใจยยแต่เราจะเห็นว่าความทุกข์บีบคั้นจิตผู้รู้เนี่ยไม่ได้นะดูยากสติปัญญาของเราต้องกลมพอ ประมเต็มที่เนี่ยฉเฉลียวใจลงมาโอ้จิตมัน จ, จะพกุกพ่วมเลยนะทุกเป็นภูเขาเลยเหมือนจะถูกบีบทุกแบบจะบ้าคลั่งแค่จะร้องกรีดเลยแค่จะขาดสติตายไปเลยเออเคยได้ยินไหมหลวงปูมันน่นแบบทุกจะสลบไปทั้งสามรอบเนยกว่าจะขาดาพระพุทธเจ้าก็สลบเลยความทุกมันบีบขั้น ในสุดมันทราบซึ้งถึงใจโอ้ยขันเป็นทุกข์เห็นขันเป็นทุกข์ก็ไม่ไปหาขันใหม่ลนะแต่ถ้าเห็นว่าจิตผู้รู้ดีเป็นสุขอย่างอื่นเป็นทุกข์มันจะไปเกอะกับจิตไว้ก็จะไปกลุ่มมโลกถ้าเห็นว่าอารมณ์เป็นสุขก็นะจะไปอยู่กรา ม, มาภูกรา ม, มาะภพเออดีด นั่นแหละมันภาวนาเป็นเอออย่างเงี้ยดูไปอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดมากนะว่ายังไงถึงเป็นอ่ะเออแล้วคิดเท่าไรก็ไม่รู้หยุดคิดแล้วก็รู้เหอารู้อ่ะถึงไม่ชอบให้มันนั่งถามนั่งถามสามวันสามคืนก็ไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่ง่ายหรอกก็เป็นหน้าที่ของเราต้องรู้ให้ได้ต้องพยายามผลปังทนนะทนเป็นๆปีๆบางคนอ่ะฟังยี่สิบปีรู้เรื่องนะคนที่นานที่สุดทันเนี้ยยี่สิบปีถึงจะรู้เรื่องเขาเกียเนียสมากจิตใจนะ่ะดิ่นรนมากฝนกว้าธรรมะมากจนกระทั่งวันหนึ่งโดนแกล้งกดเต็มห้องเนี้ย ประจารย์เลยถูงหัวงาประจานเนี่ยพี่ไว้เนี่ย้นะฟังธรรมะยี่สิบปีเราไม่รู้เรื่องเลยโอ้ใจมุดปอดเลยหายหน้าแทบจะมุดเห็นดิหมหนีเผื่อผู้มุดไม่ลงมีแข็งใจป่อเสียใจเสียใจรู้ว่าเสียใจโอ้ภานาเห็นแล้วง่ายงยหนึ่งนิ้นมันหกหกักหกหังแล้จิตมันจะไหลไปหาสาวกลางวันเลย ไหลไปเดี๋ยวก็ไปรักเดี๋ยวก็ไปแคร์เนื้อสื่อก็รู้ความจริงว่าจิตเึ็นของบงังคับไม่ได้เอาลักษณะไปที่ห้า ม, มันไม่ฟังแล้วมันจะหนีไปก็ช่างมันจะตามรู้รูปเดียวที่ก็เข้าใจการปฏิบัติแล้จะเข้าใจไม่ได้ด้วยการทำเอาแต่เข้าใจได้ด้วยการค่อยรู้เอาอย่างเนี้ใจมัน่อยคิดตั้นไหมนี่คอยรู้เอาอย่าไปคิดนะ้จะปฏิบัติยังไงจะเดินข้ามไหนจะนั่งข้ามไหนนั่นเรื่องไร้สาระ ไม่ใช่สาระแก่นสารหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติขึ้นมาไม่ใช่คิดเอาหนีไปละใไหมมาเรียนวันแรกทำอย่างนี้ได้หลายคนนะแต่ถัดไปนี้จะเริ่มผิดแล้วพอดูเป็นเนี่ยนะจะเริ่มเป็นนั่งเป้าตื่นเช้าขึ้นมาก็เป้าเลยสามีสกิจกุ้นๆยังไม่ได้หุกข้าวยุฉันจะปฏิบัติเฮอ ไปไว้จากคนอยู่โครงการโทรศัพท์หัวหน้ากองเรียกไปให้งานนี่คุณใจบาปหยาบช้าฉันจะปฏิบัติ <c oughs> บอกไม่ไล่ออกไปได้เลยอเชิญไปอยู่วัดปฏิบัติที่ไหนก็ไปเลยนี่นนเวลาเราหัดใหม่ๆเราไม่ได้วงังใจเรานึกไม่ถึงว่าธรรมะเป็นยังไงแต่พ่อซาก บ, บอกให้ดูรู้ไว้อรู้เลยแต่พวกที่คิ ด, คดมากเนี่ จะต้องทําผมจะเอาจิตไปสร้างตรงไหนนะ่ะเริ่มจะถามนะจะเอาจิตไปกําหนดยังไงรู้อันนี้ต้องจะแก้อย่งไรคิดมากแนละ้วคนที่ไม่เคยฟังธรรมะมันจะเรียนง่ายบอกรู้ไหมใจลอยนะใจลอยแล้วรนะูแล้วเพรรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าใจลอยรู้สึกเรื่อยๆล้วภาวนาก็จะง่ายไม่คิดมากคนสมัยพุทธกาลไม่ใช่ฉลาดกว่าพวกเรานะแต่พวกเราคิดมากกว่าเขา ที่คิดมากเพราะว่าเราฟังธรรมะมาเยอะเกินไปฟังแล้วก็เอาไปคิดนะบางคนมาศึกษาเปรียบเทียบเข้าวัดนี้องค์ท่านองค์นี้ว่ า, างนิดไปอีกวัดนึงองค์นี้ว่ า, างนิดต่ำมาใหม่ทําไมองค์โน้นว่ า, างโน้อนอ่ะนะแล้วทําไมองค์นี้ว่างนี้นะจัไปเลยอย่างนนะไีไปเรียนที่ไหนก็ไปเรียนที่ที่ <c oughs> ย่ไปตั้งใจความคิดศึกษาเปรียบเทียบนะ รู้เข้าไปตรงๆแล้วง่ายที่สุดใช่ไหมเนี่ยป่าจะพูดเต็มปากเต็มคำตั้งหลายปีแนละ้วูกดาวว่าเป็นหมามาเป็นร้อยครั้งรู้ไหมนี่แหละหมาตัวจริงเลยว่าจะเข้าใจได้โอ้ยสุโคนี่ไงชมลนะ เออเนี่ยใจมันจะหิบแล้วเริ่มจะหันไปค่อนขอดเราแล้วไหมเนี่ยแต่ยังเปใจคีอยู่เรื่ออะไรนะแต่ว่าตัวเองแต่าตาของเองปล่วี่ยอย่าไปสนใจสนใจที่ใจเราต้องการต้องการรู้ว่ามีจริกตที่ตาไม่ผิดไม่ผิดหรอกปกติเออเออ บางทีมันเห็นคมชัดเห็นกระทั้งผีไ ม, ไ, มไม่เห็นก็นดีแล้วถ้าร ว, วมกือ่ไปตรวจับลูกรากัลก็ไปตรวจปีละครั้งนะอายุเยอะแล้วเห็ได <c oughs> <ม>้ต่องก็ดีใจนะบอกว่าอายุเยอะเข้าโไม่ใช่เขาลืมไปว่าเขาแก่กว่าเราอีกใช่เราเยอะเขาก็เยอะกว่า นี่แหละรู้สึกไปอย่างนี้นะดีแล้วที่ทำอยู่อะไรใช้ได้แล้วคูเปอร์มันไล่ออกนี่ก็ดีนะทำให้เราภาวนาเก่งคน้าเหอเราออกแล้วนะคะาไหนแล้วคเหรอย้ายจากจตุจักรไปไปอทัยธานเพิ่มอะไรเพิ่มมาไหนเิผลิตภัณฑ์กินอะไรรอบกมก็ไดเต้นถึงแม่สกางเลยนี่ค่ เนี่ยใครมานั่งตรงนี้นะครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วใครรู้สึกว่าใจตัวเองเหมือนเดิมบ้างหนึ่งรู้สึกไหมใจเราแปรเปลี่ยนมาไม่เหมือนกันตลอดดูออกไหมยังดูให้เยอะๆนะใหม่ๆไม่เยอะไม่เป็นไรอ่ะส่วนมากถ้าใจไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือไปนั่งจ้องไว้อย่าไปจ้อง เไม่เจ้าไว้ก็เปลีแรลงอีกแหละพอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วก็ไปหักเลื่อนตรงคมหักไว้แพทเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกเขรู้สึกตัวไปเอาโยมทั้งหลังมาจากไหนกันเด้อมีใครอยู่ทางสู่ไหนอ๋ออยู่ตรงไหนอยู่เลยลงสีสีอ๋เดี๋ยวนี้ทางสู่ดังเนอะเขารู้จักกันทั้งประเทศเลย ไก่ตายเจตตายครับไก่กาี่ด่างไปเอะเตายขอเครับเขาลือหรือเปล่าไม่เห็นแถวนี้เขาพูดจะเลยเหควลอะเหนแถวนี้พูดแต่ไก่ทายแต่ชาวบ้านฉลาดนะบอกรัตตมลีกินไก่โชว์เลยซื้อไก่ที่ไปส่งมากิน เข้าใจหลักไหมนะสรุปง่ายๆนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยทางศาสนาพุทธเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกขนะ์เพื่อให้ใจเราไม่มีความทุกข์วิธีจะพ้นทุกข์ก็คือให้คอยมาสังเกตความทุกข์มันอยู่ในใจเรานี่แหละตัวสําคัญให้คอยสังเกตอยู่ที่ใจของเราเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวใจเราก็สุขเดี๋ยวใจเราก็ทุกข์นะใจเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวใจเราก็ดีเดี๋ยวใจเราก็ร้ายนะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลง ให้คอยรู้ไปเรื่อยๆพอเรารู้ไปมากๆเข้ากลับไปเราก็จะเข้าใจว่าจิตใจเป็นของไม่มั่นคงหรอกทรงบังคับไม่ได้มันเกิดความรี้ความฉลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะตุกน้อยลงน้อยลคือรู้เ่อกราิตนี้มันต้องกะนะครับือรู้อะไรได้ก็รู้อันนั้นเหอ ที่จริงการรู้เป็นท้องทางกายไม่ค่อมีความหมายอะไรถ้าเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราดูเข้าถึงจิตถึงใจได้ก็ให้รู้เข้ามาที่จิตนะเพกิเลสเกิดที่จิตความทุกข์เกิดที่จิตความพ้นทุกข์เกิดที่จิตอริยสัจสี่ก็เกิดที่จิตะอาวิชาก็อยู่ที่จิตนะทั้งวิชาทั้งเอาวิชาอยู่ที่จิตเนี่ถ้าเราเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจได้เราก็จะรู้ว่าเพาะจิตเนี่ยหลงไปยึดอารมณ์แล้วจิตจะทุกข์นะ ถรามาจิตก็จะไม่หลงไปเพราะจิตไม่อยากฟุก้งจิตมันจะพทุกแต่ถ้าเรารู้จิตไม่ได้ก็มารู้กายไว้เช่นเรานั่งอยู่รู้รูว่านั่งนะยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้ไปเราเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนไปทําไมต้องมารู้จิตกายเพราะว่ากายเป็นบ้านของจิตถ้าเรารู้กายมากๆเดี๋ยวเราก็รู้จิตได้เช่นเรานั่งอยู่เรานั่งนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขเมื่อย ใช่มพอมันเมื่อยแล้วมันไม่เมื่อยเฉยๆหรอกพอเมื่อยแล้วใจมันมักจะกระสับกระสายเนี่ยเราก็มารู้ว่าใจมันกระสับกระสายนะค่อยๆกลับมาเรียนให้ถึงจิตถึงใจเองนะเรียนมากเข้ามาเข้าอีกค่อยสังเกตอีกเอกความกระสับกระสายก็ไม่ใช่จิตอีกแล้วแฮะความกระสับกระสายเป็นของที่ถูกรู้จิตที่ไปรู้ความกระสับกระสายอยู่ตั้งหักนะไม่ได้กระสับกระสายด้วยหรอกค่อยๆเรียนกัน ไอตัวนั้นอน่ะอ่มันตัวภาคไปคิดไปนะแต่ไม่ใช่ตัวรู้นะสังเกตไหมไอ้ที่ภาพนี่มันถูกรู้อีกก็เป็นของถูกรู้ไม่ต้องไปดูมันนะคือให้คอยเป็นเกตปฏิตรายี่ใจเอาไว้อนยะ่างเช่นพอมันภาคภาพเราก็ชักลำคาญจำคาญว่าลำคาญ หรือมันพลาดไปเรื่อยๆสงสัยเอ๊ะจะดูตัวไหนดีจะดูตัวภาพหรือจะดูตัวไหนดีให้รู้ว่าสงสัยให้รู้อย่างนี้รู้เข้ามาที่ความรู้สึกในใจของเราอย่างสมมติตาเราเห็นสาวจิตเราเกิดราคะเราก็รู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นที่จิตเราแต่พอไม่มีราคะเรารู้ว่าเป็นราคะนักปฏิบัติไม่ชอบราคะเกลียดราคะรู้ว่าเกลียดราคะ ไม่ไม่ต้องบรรยายอะนะรู้แค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมารู้แต่ม่รู้ว่าเปื่ออเอออย่างนั้นดีที่สุดนะไม่จํเาเป็นต้องรู้ว่าคืออะไรเ<น>พราะสภาวะธรรมตอนละเอียดถ้าเราใส่ชื่อไม่ทันมันมาเร็วมันใส่ชื่อไม่ทันบางตัวก็ไม่รู้จักเช่นยุกยิกยุกยิกพภาวนาแล้วมันยุกยิกยุกยิกพวกปริยัตฟังพูดอะไรกันพวกนี้นะอะไรของมันยุกยิกอีกคนหนึ่งมา ของหนูมันไม่เห็นยุกยึดเลยค่ะ ม, มันยิบยับยิบยับม่นก็ตัวเดียวกันนะ แ, แต่จะเรียก <c oughs> เรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกนะดีนะแสดงว่าไม่มีบัญญตัติใส่ชื่อเข้าไปแล้วเนแค่บัญญตัติไม่มีประโยชน์อะไรนะเคยเล่าให้ฟังหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเล่าให้หลวงพ่อฟังในหลวงโดยมาถาม ผมภาวนาผมปฏิบัติรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรเนี่ยผมรู้หรือผมไม่รู้นะหลวงพ่อพูดบอกนี้ได้ยอดเลยนะปฏิบัติใครโอ้นี่ราคะราชาไม่ดีหรอกจะทําจิตให้เศร้าหมองอย่างพวกเขียน น, ะนั่งคากและนั่งบรรยายไม่ดีเขเห็นว่าอะไรบางอย่างแทรกเข้ามาอย่างบางทีนั่งรู้สึกไหมบางทีมั ว, ม, วมัวเข้ามาเอา่มัวม ว, มวแทกเข้ามานะนคืโมหะ ไม่ใส่ป้ายชื่อก็ได้มันมัวมัวไปนะถ้ามันจะได้มัวแต่ไปเท่าไรทำหนี้บ่อยๆมันจไม่รู้อ่ะใช่ใช่แล้วเมื่อเราเห็นสภาวะเห็นสภาวะบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้จักสภาวะนั้นก็รู้จักทีแรกก็รู้จักตัวมันอ๋อไอ้มัวมวนี้มาแล้วะวันหลังมันรู้มาอีกต่อไปก็รู้รู้ว่าเอ๋อมันมาแล้วมันก็ไปนะเียรู้ลักษณะเพราะงั้นจะเห็นไลรักษนี่นะต้องเห็นตัวมันก่อน เห็ตัวสภาวะก่อนแล้วมันแสดงไจรักษาาให้ดูไม่ต้องคิดเรื่องใจรักหรอกขอให้เห็นสภาวะเถอจะต้องเห็นไจรักษแน่นอนหเห็นการฝนตกไหยตกลงไปที่ ด, ดินแล้วเป็นฟองน้ําขึ้นมาตกลงไปแล้วเป็นฟองขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาถ้าเราเห็นฟองน้ําเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่ามันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันต้องแตกให้ดูแน่นอนถ้าเราเห็นกายเราเห็นจิตเนี่ยไม่ต้องคิดว่าเที่ยงหร <G> ือไม่เที่ยงมันต้องแสดงไจรักษแน่นอน เพต้องเห็นตัวสภาวะนะไม่เห็นสภาวะทำนิปสัสนาไม่ได้และแต่คิดนี่สภาวะเหรอเห็นยากไหมไม่ยากใครๆก็รู้จักตรวจเป็นไหม เ, เออเป็นแต่ว่าเวลาตรวจไม่รู้ใช่ไหอต้องหายตรวจแล้วค่อยนึกได้เนี่ยอย่างนี้ช้าไปหน่อยบางคนตรวจเ้าทุกสามีสิบเจ็ดครั้งนะครั้งที่สิบแปดได้สติ อ, อัน่นเป็นสามสิบเจ็ดนะได้บุญหนึ่ง คือบางคนโกรธเคลื่อนเมื่อวานวันนี้นึกได้อย่างนี้ท้าไบแต่ถ้าพอโกรธปุ๊บนะยังไม่มีอารมณ์อื่นมาแทกตรงกลางเลยรู้ว่าเมื่อกี้โกรธนี่ถูกต้องไปเลยกำลังเผลออยู่รู้ว่าเผลอถูกต้องฉนะาลังโกรธรู้ว่าโกรธนี่ถูกไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรกเช่นโกรธไปแล้วแล้วก็ไปทำเรื่องอื่นมาอีกชั่วโมงหนึ่งนะมีอารมณ์แทกตรงกลางเยอะแยะล้วรู้ว่าเมื่อก่อนโกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้ แต่ว่าไม่ต้องมานั่งเศร้านะว่าจะเริ่มโกรธตอนไหนนั่งเศ้าโอ้ไม่ได้กินมันผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านสอนให้ตามรู้คือมันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้มันลราโกรธแต่มันไ้วมันไม่หายโกรธคือมันยังรู้ไว้ริงคือเวลาอกุศลมันมีขึ้นมาอย่างมันโกรธเนี้ยเราไปดูมัน แต่ถ้ามันกําลังโกรธอยู่เกิืเฉลียวใจว่าโกรธนั้นจะหายแว บ, บเลยแต่ถ้ามันโกรธอยู่นะแล้วเราก็เยังทะเลาะคนดูมันสันไหน่ที่โกรธที่จะเห็นโกรธแล้วก็จ้องไว้เงี้ยจะไม่หายนะเพราะมันลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่จะหายนะดูไปแล้วอยากให้มันหายไปไม่หายหรอกมันไม่ใช่สติตัวจริงนะสติจริงๆไม่ได้แกล้งทําต้องเกิดเองใช่ไหม โอ้ยเนีดี๋ยนี้มันหลอกใช่แล้วเมื่อก่อนเหรอคะเหรอนั้นเหรอเห็นไหมว่าเนี่ยเขาบอกแต่ก่อนคนเราย่งูเห็นไหมว่าเนี่ยเขาบอกแต่ก่อนคนเรางเห็นไหมว่าเนี่ยเขาบอกแต่ก่อนคนเราเยิ่งูเห็นไมว่าเนี่ยเขาบอกแต่ก่อนคนเราอยู่งู คือถ้าเมไรนะเวลากิเลสเกิดแล้วเรามีสติไปรู้นะกิเลสจะไม่มีกิเลสจะทรงอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ไม่เป็นเราถลํำลงไปเช่นเวลาเราดูความโกรธนี่ยเราคล้ายๆเราเชิงโกหน้าลงไปดูแล้วเราขมาลงไปอยู่กับมันจมลงไปอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยจิตกําลังหลงอยู่จิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่มีสติแท้ๆก็ไม่มี เพราะสติแท้ๆจะเกิดได้ก็ต้องประกอบด้วยสัมมาสมาทิสสัมมาทิฏฐิสัมมาทั้งหลายต้องเกิดด้วยกันถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นสิอย่างเดียวพอเราไปเห็นความโกรธจิตก็จะไหลเข้าไปถล่มลงไปจ้องรู้แม้ว่ากาลังหลงก็ไปทํางานทางใจถ้ารู้ว่ากําลังหลงต้องทํางานทางใจจิตจะถอดถอนตัวเองตั้งมั่นขึ้นมาความโกรธจะขาดสะบั้นทันทีเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมีสัมมาสมาทิสิเป็นเหตุใกล้ให้เกิด สมาธิไม่ใช่ชานสมาธิที่จิตตั้งมั่นถ้าไม่อไรจิตตั้งมั่นไม่ถลัมลงไปปัญญาจะตัดอะไรโผล่ขึ้นมาปัญญาตัดเกลี้ยงไม่รู้ตัวเนตัดไม่รู้ตัวนะคะมันตัดเร็วกบีไวไงกบีอยู่ที่ใจชิญตดไปแล้วไร้ร่องรอยเห็นไหมออกไหมว่าเป็นเสียงกบีที่ไร้รูปลักษ ให้โเอขาด้ยเออขาดกวบ้านเลยขอให้รู้สึกตัวให้ได้ครับสมมติผมคงคตัวเนี่ยมันึงไหนได้งนแานีได้ได้แต่ถ้าครงนานๆจะเสิมนะเพราะมันแกล้งทํานี่ยพยายามเคลื่อนไหวไหมนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกยิ่งเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ไม่ซ้ำซากรู้ดี มีอะไรไหมคุณไม่มีแต่จะมารวมทางทางผ้าผืขนาดที่เราไม่หายเข้าไปอยู่ในอารมณ์ต่างๆเราไม่รู้สึกอ๋อคือมันยังไม่ตั้งมั่นขึ้นมานะมันยังไหลอยู่มันยังคบอยู่ด้วยกันเราเห็นแต่เราเราเห็รู้สึกขนาดที่เดินความคู้สึกมันรับเข้ามาแล้วเมื่อรู้สึกรับมันก็จแต่เราก็ ความคิดก็ตรงอยู่แล้วก็เห็นอยู่ใบรู้ใบชีพแต่เมื่อไหนไหลเข้าไปเราก็เห็นแล้วมันก็มีอารมณ์เราก็ถ้าเออเมื่อครั้งสุดท้ายที่ปฏิบัติเนี่ยก็สิห้าวันในสก็วัเดืรู้สึกว่าได้ยินแต่ว่าได้ยินคิดแต่ว่าคิดรถก็สับ้วรถมันก็สงก็รับสาวจิได้เปนกรสุดท้าดีแล้วแล้วคอยดูไปเรื่อะ แต่จะดีกว่านั้นคือเราไม่รักษาจิตนะแต่ว่าตอนนี้รักษาก่อน <Yes. S 1> อีกหน่อยเราก็ไม่ต้องไปรักษามัน <Yes. S 1> สติปัญญามันรักษาใหเองจะ <Yes. S 1> ให้มันทํางานไป <Yes. S 1> พอจิตมันจะไหลเปทางอาัตโนก็รู้ทัน <Yes. S 1> คือเวลาปฏิบัติเนี่ยแต่ yes. Yes. ถ้าเบื้องต้นแล้วบอก <Yes. S 1> เวลาเห็นเรารู้ว่าเห็น <Yes. S 1> อย่างนี้ดีจิตก็รู้สึกตัว ส่วนมากคนพอเห็นก็ไปรู้ว่าเห็นอะไรเห็ น, นคนเห็นแมวเห็นอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีแต่เห็นรู้ว่าจิตกาลังไปดูอยู่รู้ว่าเห็นรู้อาการที่เห็นได้ยินรู้ว่ากำลังได้ยินอยู่กำลังทำงานทางหูอยู่คิดคิดนึกสูงมแต่งอยู่เนี่ยรู้ว่ากำลังทำงานทางใจอยู่รู้อย่างนี้นะใจจะตั้งมัน่นเราไม่ต้องลักษาเพราะว่าอะไรเพราะรักษาไม่ได้ ใช่ไหมความรู้สึกตัวเนี่ยก็ไหลถ้าไหลไปก็ความทุกข์ก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาก็ไม่ทุกข์นะค่อยเรียนแต่ถึงจุดสุดท้ายเขาจะเห็นตัวเนี้ยตัวทุกข์ละตัวทุกข์ตัวจริงตัวที่ไม่ไหลเนี้ยตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์นะค่อยๆดูเดี๋ยจิตมันพัฒนา